ยะถ า, าวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินนางเปตานางอุปกาปเตกิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนราสูยถามณิโชติ ระโสยถาสพิติโยวิวัตชานตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนะสีลิสานิจังวุทฒาปชายญโนจัตตารูธรรมมาวัทานทิอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏโกธนวัฏโก สิริวัฏทโกยะสวัฏทะโกภะวัฏทโกวันวัฏทโกสุขวัฏทโกหุนตุสัพพธาอายุวัฏกาธนวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาภะวัฏกาวันวัฏกาสุขวัฏกาหุนตุสัพพธาทุกขโรคัพพยาเวราสุกาสัตุจุปัถวาอเนกาอันตรายาปิวินาศันตุจะเตสะสา สยาสิทธิทนานงลาพังโซธิภาคขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีจะยศวะสตวศาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตูเตภวะตูสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสั พ, พธรรมานุภาเวนะ สัพสังคานุภาเวนะสทาโสถีภาวนตุเต